ที่หน้าประตูครูบาอาจารยนะ์จะจะลิกไปไกลแนละ้วแล้วก็มายืนรอส่งแล้วก็แสดงความเคารพพระริรุบด์นะท่านก็เป็นพระคราสาวกที่มีความสุภาพแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อมีผู้มา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 ท่านก็อยู่ในที่นั้นด้วยแล้วก็แล้วก็รอส่งพระสายรบุตรแต่ว่าพระสายรุบุตรบังเอิญอมองไม่เห็นก็เดินข้ามไปไปทักทายคนอื่นท่านก็มีความไม่พอใจนึงในใจว่ า, าพระสายรุบุตรไม่ทักทายเราเลยนะไม่ถามชื่อไม่ถามโค้ของเราเลยนะ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 ถูกพกระไสยฤทบุตรทำร้ายนะพระพระองค์ก็เลยจะเรียกให้มีประชุมสงฆ์เ พ, พื่อที่ว่าคิดเป็นอธิการแล้วนะเป็นอธิกาแล้วแม้เรื่องอย่างนี้พระองค์ก็ไม่ให้ผ่านนะแล้วก็พระองค์แทนที่จะแก้ต่างพระองค์เห็นว่าทางที่ดีคือว่าให้มีการไต่สวนประชุมสงฆ์ทั้งเชตวัน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 สร้างพื้นสร้างใสก็ยังเป็นไฟอันนี้เป็นความเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบถึงความมั่นคงนะไม่แปรผันไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็ยังนิ่งได้ยังคงที่แล้วพระเสด็จก็กล่าวว่าข้าพรองค์ก็มีจิตใจแผ่เมตตาอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายก็อธิบายพูดเพื่อที่จะอะไม่ได้ไม่ได้อธิบายไม่ได้แก้ตัวโดยตรงนะแต่เชื่อเห็นว่าท่านไม่มีจิตคิดร้ายนะ ต่อผู้ใดไม่ว่าใครจะทำอะไรท่านท่านก็จิตใจมั่นคงผู้เช่นนี้เนี่ยภาพรูปนั้นก็เกิดสำนึกผิดขึ้นมาขอโทษขอคามาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ก็กล่าวว่าท่านก็ไม่ได้คิดล้ายไรนะก็ยินดีให้ไัยและขณะเดีวยวกันก็ขอข้ามาด้วยขอคขมาภาพรูปนั้นด้วยว่าถ้าเหตดหากว่าทำอะไรผิดพลาดไป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 ก็คือให้ความสําคัญกับพระไตรปิฎและเมื่อให้ความสําคัญแล้วเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยถ้าพระไตรปิฎเนี่ยมาทักทายตัวเองบ้างก็จะดีนะมีความปรารถนาอยากจะให้พระไตรปิฎได้ทักทายคนเราเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ศรัทธาใครเนี่ยก็ไม่ไม่ปรารถนานะจะให้คนนั้นเข้าม า, มาทักทายเราเนหรือม า, อาสนทนากับเรา อันนี้ก็เป็นความศรัทธานะที่มีต่อพระไตรปิฎกนะที่ทําให้อเกิดความขุนเคืองใจธรรมราศรัทธาเนี่ยนะเมื่อศรัทธาใครก็หมายความว่าเรายอมลงให้กับผุ้นั้นยอมลงให้กับผุ้นั้นแต่ทําไมในเมื่อศรัทธาพระไตรปิฎแล้วเนี่ยจึงมาทําร้ายนะมามุ่งร้ายพระไตรปิฎก็แสดงว่ามีความอ่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 ศรัทธาของผู้ค น, นไม่ใช่พระภาลุเนี่ยนะศรัทธาของผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้กันมากมายนะจะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้คือเป็นศรัทธาที่เจือไปด้วยกิเลสยังมีความยึดติดในตัวตนสูงอย่างหลายคนเนี่ยนับถื อ, อครูบาอาจารย์อาจจะนับถือมากๆทีเดียวนะแต่พอครูบาอาจารย์ ต่อว่านะบางทีไม่ได้ต่อว่าเพียงแค่ทักท้วงไอ้ทักท้วงอท่ามกลางผู้คนหรือว่าทักท้วงอสองต่อสองก็โกรธนะแล้วบางทีก็กลายเป็นว่าอท่าทีเปลี่ยนนะจากที่เคยเคารพก็กลายเป็นไม่พอใจหรือถึงขั้นเกลียดชังนะทั้งที่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยมัน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 นะไอท้ที่ทีฆ่ากันตายหลายคู่เนี่ยหลายคดีเนี่ยนะก็เพราะเคยมีความรักกันนะอาจจะคนที่ถูกฆ่าก็อาจจะเป็นแฟนหรือเป็นคู่รักไอ้ตอนที่รักกันก็ดูดดื้อนะแต่พอฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาทําไม่ถูกใจตัวเขาอาจจะไปแคะไปปันใจให้ผู้ชายคนอื่นผู้หญิงคนอื่นนะหรืออาจจะต่อว่านะไม่ทาตามใจก็โกรธ จากโกรก็กลายเป็นเกลียดแล้วพอเกลียดแล้วมันก็เกเคยมุ่งร้ายถึงขั้นทำร้ายถึงตายคนส่วนใหญ่เนี่ยคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีโอกาสเป็นฆาตรกรหรอกนะแต่เหตุเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยคนธรรมดาธรรมดากลายเป็นฆาตรกรนั้คือเรื่องของความผิดหวังในความรักความแค้นในคู่รักคู่ครองของตัว ทำไมถึงโกรธและเกลียดถึงขั้นฆ่าได้ตั้งที่เคยมีความรักมาก่อนก็เพราะเป็นความรักที่มันเจือไปได้วยกิเลสนะเป็นความรักที่หมายจะเอามาปนเปื่อกิเลสมาปนเปื่อตนเองอที่รักเขาที่เคยรักเขาเพราะว่าเขาถูกใจเรานะเขาทำอะไรถูกใจเขาหน้าตา飒 ส, าสวยหรือว่าหลอ่อนะ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 นะทําให้เรานะมีความหวังว่าจะได้โชคได้ลาบนะ น, นี่เป็นศรัทธาที่มันเจอไปได้วกิเลนะสศรัทธาที่ยังเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและศรัทธาแนี้ย ง, ง่อนแง่นนะมันสามารถจะกลายเป็นสามารถจะกลายเป็นตรงกันข้ามนะจากศรัทธากลายเป็นความเป็นปฏิปักษนะ์ความเปรียดชัง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 เราต้องตรวจสอบแบบ น, นี้วิธีตรวจสอบอย่า ง, างนึงคือว่าเวลาครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยเกิดนะส่งผลไม่ถูกใจเราเนี่ยนะเราโกรธไหมเราเกลียดไหมครูบาอาจารย์พูดไม่ถูกหูหรือว่าอทวงติ่งวิจารนะเรามีความโกรธไหมนะมีความไม่พอใจหรือเปล่านะถ้ามีความโกรธมีความไม่พอใจก็ดแสด ง, งว่าเป็นศรัทธาที่ยังเจอไปด้วยอัตตานะ่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 บางทีศรัทธาของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเชื้อชูกิเลส น, นะเพื่อประกาศตัวตนของเราในอีกแบบหนึ่งนะซึ่งก็ทำให้เรามีความทุกข์แล้วก็ไม่ไม่เจริญนะรวนทั้งไม่ได้ประโยชน์นะจากสิ่งที่เราศรัทธาแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีงามก็ตามอาวชาติพกกุกเท่า น, นีนะกราบครบ